ทีนี้ต่อไปอเมื่อจะทำอุโบสถเนี่ยนะพระประเจ ก, กับพะพุทธเจ้าจะประชุมกันที่รัตนมาลาโคนต้นไม้มันชุสะในภูเขาคันธมาตนี่แหลนะกท็ทำบุญให้ถึงให้พอแล้วก็ไปเยี่ยมสถานที่พระประเจ ก, กับพะพุทธเจ้าอยู่กันเนาะแค่ที่พระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ค่อยจะได้ไปเลยนะที่พระพุทธเจ้าประสูตรตัสรุนิพพานก็ขอให้ได้ไปเถอะนะก็เอาละ พระพุทธเจ้าครั้นตรัสความปรารถนาปรารถนาปรารถนาอะไรพระประเจกพุทธเจ้าปรารถนาอะไรปรารถนาให้มีสมบัติ5ประการอภินิหารคือมูลปณิธานเพื่อความเป็นพระประเจกข พ, พุทธเจ้าบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงแก่ท่านท่านอ์แล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงพระประเจกบ พ, พุทธเจ้าเหล่านั้นแลด้วยความปรารถนานี้คือปรารถนา5และอภินิหารก็ตรัสคักคาวิสาณสูตร เป็นต้นว่าสัพเพสุภูเตสุนิทายะทันดัง น, น, นี่พูดถึงประวัติของพระประเจกกับพุทธเจ้าเนี่ยนะ อย่างยกตัวอย่างพระประเจกกับพุทธเจ้ารูปที่หนึ่งที่ตรัสคถาว่านะคาถาของพระประเจกองค์ที่หนึ่งว่าบุคคลวางอาทยาในสัตว์ทั้งปวงแล้วไม่เบียดเบียนบรรดาสัตว์เหล่านั้นแม้ผู้ใดผู้หนึ่งให้ลำบากไม่พึงปรารถนาบุตรนะถ้าบุตรยังไม่ปรารถนาจะปรารถนาหายแต่ที่ไหนพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรดเนี่ย น, นะท่านก็เล่าถึงประวัติพระประเจกกับพุทธเจ้ารูปนี้ แต่จะไม่เล่ามาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งความปรารถนานะเล่าเฉพาะชาติที่เป็นอดีตไม่ห่างนี้ไม่กี่ชาติเท่านั้นได้ยินว่าพระปจเจกพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ยังลงสู่ปัจเจกโพธิสัตว์ภูมิบำเพ็ญบารมีทั้งหลายผ่านมาแล้วตลอดสองอสงไขยแสนกับมาถึงสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะท่านก็บวชในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัด นะโดยปกติก็อยู่อรัญยญวิเวกเนี่ยนะว่าหลีกรเลนอยู่ในป่าอารัญญะแปลว่าป่าวิเวกก็คือหลีกรเลนนะหลีกรเลนอยู่ในป่าประพฤติขตะปัจจาคตะวัดแปลว่าวัดในการนำกรรมฐานไปแล้วก็นำกรรมฐานกลับไม่ทิ้งกรรมฐานเลยได้กระทำสมณะธรรมคือไตรเสกขาสมณะธรรมธรรมของผู้สงบกายวาจาและใจเนี่ยนะก็เป็นผู้ประพฤติธรรมของสมณะ ได้ยินว่าพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายไม่บำเพ็ญคตะปัจจคตะวัดแล้วชื่อว่าบรรลุเป็นพระประเจกไม่มีถ้าไม่มีการบริหารกรรมฐานอย่างยาวต่อเนื่องเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าถามว่าไอ้ขตะปัจจคตะวัดนะนะั่นน่ะมันเป็นอย่างไรตอบว่าการนํากรรมฐานไปและก็การนํากรรมฐานกลับเชื่อว่าคตะปัจจคตะวัดเนะี่ย บางท่านก็แปลว่าวัดในการกลับไปกลับมาันแปลไปเรื่อยนี่ย้อนกลับมาว่าะขตตะปัจจักตะวัดเนี่ยนะที่สำคัญเนี่ยเขาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเนี่ยนะเข้าใจพระไตรปิฎกดีอยู่แล้วคเ ข, ข้าใจคำสอนเข้าใจข้อปฏิบัติเป็นอย่างดี แล้วมาเจริญกรรมฐานบริหารกรรมฐานอย่างต่อเนื่องนั้นขะตะปัจจาคตะวัดเนี่ยคือวัดในการบริหารกรรมฐานให้เป็นได้ยาวและต่อเนื่องอ น, นะตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องกรรมฐานก็ศึกษาให้เข้าใจกรรมฐานกรรมฐานที่ยังไม่เจริญก็เจริญเมื่อเจริญแล้วบริหารกรรมฐานนี้ให้ยาวเว้นแต่หลับเนี่ยนะถ้าไม่ประพฤติขนาดนั้นเป็นพระประเจกไม่ได้ แม้กระทั่งพระมหาสาวกก็เหมือนกันนะถ้าที่อื่นเนี่นบอกเลยว่ามหาสาวกทุกองค์เช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นท่านเหล่านั้นก็ประพฤติขตตะปัจจาคตะวัดเหมือนกันในในอัตถคถาเถรคถาท่านบอกว่าอย่างนั้นภิกษุในศาสนานี้นะกลุ่มกลมกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องวัดนี่มีอยู่สี่กลุ่มหนึ่งบางรูปนําไปแต่ไม่นํากลับบางรูปนํากลับแต่ไม่นําไปบางรูปไม่นําไปไม่นํากลับบางรูปนําไปและนํากลับ ยกตัวอย่างในพระภิสูจนสี่กลุ่มเนี่ยนะกลุ่มที่หนึ่งก่อนนะว่านําไปแต่ไม่นํากลับบอกว่าในภิกษุเหล่านั้นพิกษุใดตื่นแต่เช้าตรู่ท่ไรดีที่สมที่สเป็นต้นก็ว่ากันไปนะสรุปว่าแต่เช้ามืดทำเจติยังคณะวัดก็คือวัดในในพระเจดีนะวัดพระเจดีโพ ท, ที่ยังคณะวัดวัดที่ต้นโพ ตลอดจนถึงรถน้ำต้นโพตักน้ำเต็มหม้อน้ำดื่มแล้วก็ไปยืนที่โรงน้ำดื่มประพฤติอจรรยวัรอุปชายวัรสมาทานวัดเล็กน้อยอีก82วัดมหาวัดอีกส4บสวัดโอ้ยเ ย, ย, ยอะแยะไปหมดเลยนะฟังอาชื่อแล้วก็เมื่อยแล้วนะได้นะมไม่พอนะอ่านาเอาลวกันนะี่อยู่ในเล่ม ภิกษุนั้นก็ทําบริกรรมร่างกายแต่เช้าตรูเข้าสู่เสนาสะนะนะเสร็จแล้วไปทําวัดเสร็จแล้วก็ไม่ใช่แล้วนะกลับไปกุฏิอีกยังเวลาให้ล่วงไปในเสนาสนะอันสงัดไปอยู่เงียบๆจนถึงเวลาบินทบาตนะหมายว่าตื่นขึ้นมาทําวัดอย่างที่กล่าวหมดภายในสมชั่วโมงสองสาชั่วโมงได้ทําเสร็จหมดแล้วก็กลับไปกุฏิก่อนพักสักครู่หนึ่งนะนั่งเจริญกรรมฐานสักครู่หนึ่ง รู้เวลาบินทบาทก็นุ่งคาดประคบเอวห่มอุตสาสง์พาสังคาติสะพายบาดใส่ใจในกรรมฐานไปไหนก่อนไม่ใช่มุ่งไปหมู่บ้านบินทบาตนะไปที่ลานพระเจดีตอนแรกไปชําระปัดกวาดเช็ดถูพระเจดีอะไรเรียอยร้อยหมดเสร็จนี้ก็ได้เวลาไปที่พระเจดีอีกรอบหนึ่งไปไหว้พระเจดีไหว้ต้นโพนะไหว้ต้นโพบอกว่าไหวยังไงไหวไหวเจดีไหวต้นโพก็บอกถ้าเจดีเล็กๆไหวทั้งแปดทิศ คือพึงทําความในใจว่าเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่จริงๆเหมือนนั่นนี่เหมือนกับเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นแล้วก็กราบ8ดทิศถ้าเจดีย์ละเจดีย์ไม่ใหญ่นะเจดีย์เล็กกราบ8ดทิศถ้าเจดีย์เล็กกราบสี่ทิศนีนะแล้วก็ไหว้ต้นเจดีย์เสร็จก็ไปไหว้ต้นโพเนี่ยนะไหว้ต้นโพเสร็จแล้วก็เจริญกรรมฐานไปใกล้หมู่บ้านก็ห่มผ้าที่ใกล้หมู่บ้านกอมบาทเข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาต ภิกษุที่เข้าไปอย่างนี้แล้วเป็นคนมีบุญเก่าเยอะอนะก็ได้ลาบมีคนทําบุญให้ทานเขาเรียกว่าพระปฏิบัตินี่คนทั่วไปจะช่มเชยใช่ไหมคนจะยกย่องอพระปฏิบัติมาแล้วก็เลยถวายกันใหญ่เลยได้ลาบเพราะฉะนั้นเป็นคนที่อุบาสกอุบาสิกาเคารสกการะเคารพนับถือกลับในตระกูลอุปถากหรือในศาลาพักไปถึงไปถึงบ้านอุปถากหรือไปถึงศาลาพักก็อุบาสกอุบาสิกาก็ถามปัญหา ถามปัญหาบางทีก็ไม่ใช่ตัญหาอารยศัตร์อะไรหรอกนะเรื่องโลกเรื่องร้านเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องสารพัดเรื่องเลยนะก็เลยทิ้งกรรมฐานเลยมวัวแต่แก้ปัญหาคุยอยู่ฟุง้งซ่านคุยไปคุยมาบางทีก็แสดงธรรมแสดงไปสลับกับเรื่องอื่นก็เลยฟุง้งซ่านแต่ถ้าจริงจเนี่ยผู้ที่ประพฤติวัดอันนี้ไม่ใช่ว่าห้ามเจะห้ามห้ามแสดงธรรมไม่ใช่นะท่านให้แสดงธรรมด้วยแต่ทีนี้ว่าเรื่องอื่นมันเข้ามามันหนักกว่าเรื่องกรรมฐานเรื่องธรรมะก็เลยไปแต่เรื่องอื่นหมดเลย ก็เลยฟุ้งซ่านกลับจากนั้นก็ออกมาไปสู่วิหารไปสู่วิหารก็ไปเจอพระภิกษุที่คอยอยู่ในระหว่างทางเล่นะไปเจอกันเข้าก็เลยคุยกันบางทีก็แสดงทำบ้างบางทีก็มัวแต่ขวนขวายทำโน่นทํานี่สร้างโน่นสร้างนี่ก็โอ้ยยาวเลยคันนี้เนิ่นช้ากับภิกษุทั้งหลายตลอดเวลาปัดชา้าบัดบ้างปุริมยามบ้างมัชชิมยามบ้างถูกความประพฤติ ช, ช่วยหยาบทางกายครอบงำ ม, มาวก็วทําจะเหนื่อยเลยนะ ก็นอนในปัจฉิมยามก็เลยไม่เจริญกรรมฐานอะไรเลยพิสูน์นี้เรียกว่านำไปแต่ไม่นำกลับแปลว่ามีเวลาปฏิบัติตั้งแต่ประมาณตีสี่จนถึง8ปดโมงหลังจากนั้นว่างตลอดว่างจากกรรมฐานนะแต่ทำงานจะเพลียเลยนะทำงานเรื่องอื่นสนใจเรื่องอื่นทำจนเหน็ดเหนื่อยเลยเพลียเลยกลับนอนดีกว่าพวกนี้แค่วานํานไปแต่ไม่นากลับอย่างพวกที่สองก็คือพวกใดนี่ พยาธิมากป่วยบ่อยสุขภาพไม่ดีฉันอาหารแล้วก็ไม่ย่อยไปโดยชอบคือบางทีเนี่ยพระมีโรคอันหนึ่งอันหนึ่งมันคือฉันน่ะไม่ย่อยเนี่ยนะอยูดพะออมอยู่ทั้งวันนั่นแหละเพรอบางองค์ไม่ค่อยเดินจงกรมไม่ค่อยอะไรเนี่ยนะวันนี้บบปัญหาโรคกระเพาะลำไส้มีค่อนข้างจะเยอะกว่าเพื่อนหน่อยก็เลยพอไม่ย่อยก็กคืนนั้นก็พักผ่อนแบบสุขภาพไม่ดีนะสมัยใกล้รุ่งตื่นแต่เช้าตรู่ มันก็เพลียอยู่นั่นแหละก็ไม่สามารถทําวัดตามที่กล่าวแล้วหรือไม่สามารถเจริญกรรมฐานได้ต้องการแต่อาหารอยากจะฉันอย่างเดียวนะหิวมันก็ปรารถนาข้าวยาคูปรารถนาพัดปรารถนาเภสัตชคือต้องการยาถือบาดจีวรเข้าไปบ้านตามกาละนั้นเทียวหมายว่าไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะสุขภาพไม่ดีนะจะไปหาอาหารอย่างเดียวพอได้ข้าวต้มหรือได้ยาหรือได้พัดในบ้านแล้วล้างบาดนั่งบนที่อาสนะปูเจริญกรรมฐาน บรรลุควรนิเศษหรือไม่มบรรลุก็กลับวัดก็อยู่ด้วยกรรมฐานตั้งแต่ตั้งแต่หลังจากฉันก็เจริญกรรมฐานไปจนถึงกลางคืนเตือนขึ้นมาก็ไม่สบายอีกก็ป่วยอีกก็มุ่งไปเนี่ยก็เรียกว่าปฏิบัติแต่ภาคอะไรนะตั้งแต่สายไปจนถึงค่ำอีกคนหนึ่งปฏิบัติแต่ช่วงเช้าไปถึงสายอีกกรุ๊ปที่สองบอกได้แต่สายถึงค่ำของเรานี่ได้ช่วงไหนบางครัอง <Okay. S 1> ไม่น่าถามกันเลยนะทีนี้ภิกษุทั้งหลายผู้เช่นนี้ นะฮะกลุมที่ต่อไปบอกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เช่นนี้ดื่มยาคูปรารบวิปัสนาบรรลุเป็นพระ้าหันในพระพุทธศาสนานับไม่ถ้วนนะฮะบรรลุเป็นพระ้าหันในเวลาดื่มเข้าต้มเวลาฉันนี่บรรลุมากท่านบอกว่าบางเล่มท่านบอกว่าที่ศีลังกาเนี่ยนะไม่มีอาสนะไหนในโรงฉันที่ไม่มีไม่มีผู้ฉันนั่งฉันแล้วบรรลุเป็นพระ้าหันนะนะภิกษุดื่มยาคูคือเข้าต้มแล้วก็บรรลุเป็นพระ้าหัน์ ไม่มีในอาสนะใดอาสนะนั้นไม่มีในอาสนะศาลาในหมู่บ้านนั้นๆในเกาะลังกาณนะที่ที่มีวัดเนี่ยนะโรงฉันทุ่โกรงเนี่ยเป็นที่นั่งบรรลุอรหันต์กันหมดนนะก็ไปดูกันแล้วกันตุลาเนี่ยที่ที่ท่านนั่งบรรลุนี่มันอาสนะไหนม้างนะเขามาก็ไปหาดูมันหลังไหนองหาไม่เจอเลยเจอโลหะปราสาทที่เขาบรรลุเยอะนะไปเจอแต่เสาหินอะไรอ่ เดี๋ยวจะไปดูใหม่พวกที่สมกลุ่มที่สามภิกษุใดอยู่ด้วยความประมาทแปลว่าทําตัวเหมือนไม่ตายเนี่ยนะทอดทิ้งคันธทุระวิปัสนาทุระเนี่ยนะไอ้ทิ้งทุระหมายเขาว่าไม่สนใจคันธทุระวิปัสนาทุระทาลายวัดปฏิบัติทุกอย่างฟรีสไตล์ทําอย่างที่ใจอยากทำเนี่ยนะโลภะมันบอกก็ทาํานําโลภะมันสั่งอะไรเนี่ยนะโลภะโทสะโมหะมันแนะนํายังไงก็ปฏิบัติตามนั้นหมดเรียกว่าทําลายวัดทุกอย่าง มีจิตพัวพันไปด้วยเจโตวินิพันธะห้านะจริงๆเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มนะเจโตวินิพนิพันธ์กับเจโตขีละเจโตวินิพันธะเนี่ยมีห้าเจโตขีละนี่มีห้านะเครื่องผูกพันใจห้าประการกับตะปูตรึงใจห้าประการัานะก็เจโตวินิพันธะก็คือมีจิตใจหมกมุ่นในติดในรูปติดใน ติดในกามติดในกายติดในรูป เ, เป็นผู้ที่ชอบนอนแล้วก็สุดท้ายก็คือทําบุญและปรารถนาอยากเป็นเทวดาอย่างเดียวแล้วก็พวกเจโตขีละหก็สงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงสงสัยในศิกขาสุดท้ายก็มวัวแต่ทะเลาะกันเองเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะละบ้านละครอบครัวละอะไรละได้หมดเลยนะแต่ว่าสละเรื่องทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆละไม่ได้เพราะงั้นมัวแต่ทะเลาะกัน ก็เลยไม่ตามประกอบกรรมฐานมนาสิการเข้าบ้านบินทบาทถูกปะปันจะทำถูกเครื่องเนิ่นช้าในเล่นงานเพราะอะไรเพราะพวกเครือข่ายชวนให้ชักช้าอยู่ได้นะเอาคารวาเขาก็มีธุระอะไรก็คุยแต่เรื่องของเขาใช่ไหมใครนี่สนใจเรื่องอะไรก็จะคุยแต่เรื่องนั้นนะเชื่อเหระใจของใครหมกมุ่นอยู่กับเรื่องไหนเขาก็คุยแต่เรื่องนั้นนั้นก็ไปคุยกับโยมมากเลยเป็นเหมือนโยมเลยคนนี้กลับบ้านก็ปากเปล่าก็กลับเปล่าก็ออกมานะ แสดงว่ารู้แต่การบ้านการเมืองการรู้สารพัดก็เลยสมถะวิปัสนาไม่รู้สักอย่างเลยนะรู้แต่ว่าบางทีถ้าสมัยใหม่รู้เรื่องกีฬาเรื่องสารพัดเนี่ยนะใครตีกอลฟที่ไหนชนะอย่างไรได้รางวัลเท่าไหร่กีฬาที่ไหนชนะยังไงรู้หมดพวกนี้แปลว่าไม่มีกรรมฐานทั้งไปทั้งมาแปลว่าปกติอยู่แบบอันนะัก็ทรงเพศซึ่งนักบวชแต่ไม่ใช่นักบวชโดยสามัญยสมัมเนธเนีนะแต่แปว่าท่านเลยลูกหลานเราญาเราเนี่แหละ ส่วนกลุ่มสุดท้ายพักก่อนดีกว่า